พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันครบ9ปีแห่งการมรณภาพของหลวงพ่อคำเขียนแม้หลวงพ่อจะจากไปนานแล้วนะแต่ว่าร่องรอยของหลวงพ่อก็ยังมีอยู่ให้เราได้เห็นได้สังเกตรหรือได้ระลึกนึกถึงหลวงพ่อแต่บางคนก็อาจจะ ไม่เห็นร่องรอยนั้นเพราะว่าไม่ได้มารับทราบนะถึงสิ่งที่หลวงพ่อได้ทำโดยพ่อในช่วงที่ท่านขึ้นมาอยู่นะบนหลังเขาใหม่ๆนะร่องรอยนี้ น, นะปรากฏนะตั้งแต่เวลาเราเดินทาง ขึ้นมาจากแก้งคอเนี่ยเวลาเราไต่ขาขึ้นมาเนี่ยนะให้สังเกตว่าต้นไม้เนี่ยตรงไหลาทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะมันก็เป็นร่องรอยอย่างหนึ่งนะของหลวงพ่อเพราะตอนที่มีการลาดยางนะถนนที่ขึ้นมาจากแก้งคอเนี่ย ก็เกือบ30ปีที่แล้วก็มีการตัดต้นไม้นะตรงไหลทางเวลาใครขึ้นใครลงเขาเนี่ยก็จะเห็นนะทัศนียภาพเนี่ยข้างล่างเนี่ยชัดเจนเลยรวมทั้งเห็นเมืองแก้งคอเห็นไปถึงช่องสามหมอก็ดูสวยดีนะแต่หลวงพ่อจะเห็นว่าพื้นที่ลง่ลงๆแบบนั้นเนี่ยนะมันอันตราย เพราะว่าดินก็อาจจะสุดได้หลวงพ่อก็เลยชวนพระชวนเนนชวนชาวบ้านปลูกต้นไม้นะตรงไหลาทางเนี่ยเพื่อให้ต้นไมน้มันยึดดินเอาไว้นะท่านก็ทำอยู่นะเรียกว่า2บงพรรษาหรือ3บมพรรษาได้นะตอนนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่ถ้ามาไฟหวาม ตอนนี้ต้นไม้ก็โตแล้วจนกันทั่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นพื้นที่โล่งข้างล่างได้แต่ว่ามันก็ทำหน้าที่ได้ดีนะต้นไม้เหล่านี้นอกจากช่วยยึดดินทำให้ถนนไม่ทุดปลอดภัยได้เนี่ยมันยังเป็นที่อาศัยของนกของชีวิตต่างเมื่อขึ้นมาถึง ท่ามาไฟเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยถนนท่ามาไฟเนี่ยโดยเฉพาะถนนด้านในเนี่ยซึ่งมีการตีเป็นตารางๆอันเนี้ยเป็นร่องรอยของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะตอนที่ท่ามาไฟกําลังจะขยายตัวเนี่ยหลวงพ่อท่านมีความเห็นว่าท่านมีความคิดว่าเนี่ยจะต้องตัดถนนให้มันเป็นเป็นระเบียบนะไม่ใช่คดเคี้ยว มันจะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยและการพัฒนาจึงก็เลยชวนชาวบ้านเนี่ยตัดถนนนะให้มันตรงแล้วก็เป็นตารางตารางโนะดยเฉพาะด้านไหนคนที่ไม่รู้เนี่ยเข้าใจว่านี่เป็นนะผลงานของแนวเพอหรือว่าเจ้าหน้าที่ราชการนะี่จริงไม่ใช่และการที่ทำเช่นนีด้ได้นี่ก็ต้องอาศัยศรัทธาของชาวบ้านเพราะว่าจะต้องมีการปรับนะ ที่อยู่อาองชาวบ้านบางคนก็ไม่อยากจะให้มีการรือ้อนะแต่หลวงพ่อท่านก็อ า, อาศัยนะเรียกว่าสัตว์ทางของชาวบ้านเนี่ยพูดให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านยังไงแล้วก็หาที่ให้ทดแทนนะสำหรับถาาว่าจะต้องมีการรือ้อนะบ้านเรือนนะเพื่อให้ เพือเปิดทางให้ถนนได้ตัดได้อย่างเป็นระเบียบนี่ใครที่รู้ประวัติความเป็นมาเนี่ยของทรามาไฟก็จะเห็นว่าเนี่ยถ น, นนนี่แหละนะเป็นร่องรอยอย่างหนึ่งนะของหลวงพ่อที่ท่านมีความใส่ใจนะกับส่วนรวมความเป็นอยู่ของชาวบ้านและท่านก็อาศัยความเป็นผู้นำนะของหรือศูนย์กลางของชาวบ้านเนี่ยได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เป็นประโยชน์ ต่อชาวบ้านในริยะสั้นอา จ, จะไม่เห็นแต่ในระยาวนี่เออมันมีประโยชน์มากท่านก็เรียกว่ามองการไกลนะเขาก็เรียกว่าท่านก็เป็นนักพัฒนานะแต่ที่จริงท่านก็ออกตัวท่านไม่ใช่นักพัฒนาแต่ท่าน อ, อ่าก็ทําในสิ่งที่ควรทํามีปัญหาก็แก้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวจากท่าฟ้านี่มาถึงสุกโตนี่ยเห็นต้นไม้ ขึ้นร่มครึ้มเป็นป่าสงบสงดัดนี่ก็ร่องรอยนะของหลวงพ่อถึงแม้ว่าป่านี่มันจะมีอยู่แล้วแต่เดิมแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ถูกตัดบ้างถูกไฟทําลายบ้างหลวงพ่อก็ชักชวนชาวบ้านพระมาปลูกต้นไม้พื้นฟูป่าและหลวงพ่อท่านก็ทําเป็นแบบอย่างนะเรียกว่าท่านปลูกต้นไม้เรียกว่า ตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่มาอยู่ที่นี่จนกระทั่งวันท้ายๆของท่านนั้นก็ยังไม่ละเลยเรื่องการดูแลต้นไม้การรักษาป่าทั้ม น, นี้ก็เป็นร่องรอยที่เห็นเป็นรูปธรรมนะของหลวงพ่อคำเขียนแต่ว่าร่องรอยบางอย่างเนี่ยมันประทับอยู่ในใจนะมันไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะบางอย่างเนี่ย มันก็ไม่มีปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วอย่างศูนย์เด็กเนี่ยนะที่หลวงพ่อท่านเริ่มทำเนี่ยเมื่อ45ปีที่แล้วเป็นแห่งแรกในจังหวัดชายภูมินะตรงนี้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะที่วัดภูเขาทองอันนี้ก็เป็นร่องรอยอย่างหนึ่งของหลวงพ่อแต่ว่าที่สำคัญคือร่องรอยในทางจิตใจนะเพราะว่าเด็กหลายคนนะ ในเวลานั้นเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็โตและเป็นผู้ใหญ่ไชสกันเป็นปู่แล้วก็มีนะอายุห้าสิบปีก็เชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะมีร่องรอยนะประทับนั่นอยู่ในใจของเขาเพราะว่าหลวงพ่อตอนที่ท่านทำศูนย์เด็กนี่ท่านเรียกว่าลงมือเองเลยนะสอนเด็กดูแลเด็กนะเด็กก็สามสีขวบ ให้ชาวบ้านมาช่วยทํานมถั่วเหลืองเป็นอาหารนมแต่ก่อนมันก็ไม่มีอะไรนอกจากนมถั่วเหลืองอาหารก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ก็ใส่ชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะว่าศรัทธาแล้วก็เคารพรวมทั้งซาบซึ้งในความเมตตาของหลวงพ่อก็มาช่วยกันเด็กเนี่ยหลายคนก็ได้รับการเลี้ยงดูการสั่งสอนนะ แล้วก็ความเมตตาจากหลวงพอ่อร่องรอยที่เป็นรูปธรรมมันอาจจะไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าร่องรอยที่ปรากฏในใจเป็นภาพประทับของคนเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าร่องรอยหรือภาพประทับนะที่สําคัญเนี่ยมันก็คือมรดกที่หลวงพ่อได้ฝากไว้ในใจของเราหลายคน ไม่ทันได้เห็นหลวงพ่อทำงานช่วยเหลือชาวบ้านที่ท่ามาไฟอาจจะไม่ทันหรือไม่สังเกตได้เห็นหลวงพ่อปลูกป่ายิ่งสมัยที่ท่านสอนเด็กเล็กๆในศูนอย่างนี้ก็ยิ่งไม่มีโอกาสได้เห็นได้ทันพรามันนามมาแล้วแต่ว่าภาพประทับนะที่มีในใจของหลายคนเนี่ย ก็คือความเมตตาของหลวงพ่อนะความเมตตาความสงบเย็นของหลวงพ่อซึ่งหลายคนก็สัมผัสได้มีความรุ่มร้อนในใจพอได้ไมากับหลวงพ่อก็รู้สึกสงบเย็นนะคลายความรุ่นร้อนไปด้วยแต่นั่นก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับมรดกธรรมนะที่หลวงพ่อเรียกว่าได้ช่วยสร้างไว้ในใจของเรานั่นคืออะไรนะั่นคือสตินั่นคือความรู้สึกตัว หลายคนเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้จักว่าสติสำคัญยังไงหรือว่าไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าแต่ว่าทุกวันนี้หลายคนก็มีสติเป็นเครื่องรักษาใจมีความรู้สึกตัวที่ช่วยนำพาให้พบกับความสงบความปลงลงในจิตใจได้อันนี้เรียกว่าเป็นมรดกธรรมนะที่สำคัญ มรดกอย่างอื่นเนี่ยนะจะเป็นป่าจะเป็นวัดนะหรือว่าเป็นต้นไม้สองข้างทางนี่มันก็เป็นมรดกที่เรียกว่ามารดกทางโลกก็ได้นะเห็นได้ง่ายแต่ว่าไม่ประเสริฐไม่ซาบซึ้งใจเท่ากับมรดกธรรมที่ท่านนะช่วยก่อร่างสร้างให้สติขึ้นมาในใจของเรา ถ้าไม่มีมรดกธรรมอันนี้หลายคนก็ยังจมอยู่ในความทุกข์นะหลายคนก็ยังปล่อยใจให้หวันไหวไปตามกระแสะโลกหรือความผันผวนพลันแป ร, ปรตามวิสัยของโลกที่เรียกว่าโล ก, กธรรมโล ก, กธรรมแปได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสือเส่อมยศทารเสรสนินทาสุขทุกข์นะั่นคคนเราจํานวนมากนี้ก็กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลง ไปตามโลกธรรมไอ้ตอนที่มีสุขก็เพลินในสุขแต่พอเจอทุกข์ก็ดำดิ่งจมอยู่ในทุกข์ขอนตัวไม่ขึ้นแต่ว่าพอได้อาศัยคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนานของหลวงพ่อเนี่ยได้พบกับสติได้มีความรู้สึกตัวและได้อาศัยทำสองประการนี้ซึ่งพจเจ้าธรรมี่มีอุ ป, ปการะมากเนี่ย ช่วยประคองจิตนะรักษาใจให้สงบนะแม้จะมีความสุขก็ไม่หลงเพลินในสุขนะเรียกว่าอยู่เหนือสุขได้เนี่ยอันนี้เราเป็นมรดกธรรมนะที่สำคัญมากซึ่งเชื่อว่าลูกศิษย์หลายคนนะก็สามารถจะพบหรือสัมผัสได้ถึงมรดกนี้นะซึ่งดังนั้นเนี่ย ในโอกาสที่หลวงพ่อนะอมรณภาพครบรอบปีครั้งหนึ่งนะในวันพรุ่งนี้เราก็เลยมีการทำาการบูชาคุณหลวงพ่อด้วยการปฏิบัติธรรมนะเพื่อเพิ่มพูนมรดกธรรมนี้ให้จเจริญงอกงามขึ้นนะและจะกลายเป็นมรดกที่ยั่งยืนของหลวงพ่อที่เกื้อกูลถวภาศาสนาในคืนนี้เนี่ยเราก็จะมีการ ปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันตลอดทั้งคืนจนลุ่งเช้านะใครที่มาได้ก็เชิญมาร่วมฟังมาร่วมปฏิบัติใครที่มาไม่ได้ก็ดูฟังนะจากทาง Facebook ได้หรือไม่งั้นก็ปฏิบัติที่บ้า น, นะนเพื่ อ, อลำลึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อและที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อแต่เพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักที่อยู่รอบข้าง แล้วก็เพื่อพระศาสนานะที่ยังยืนได้ก็เพราะาธรรมะที่ตั้งมันในใจของเราทุกคน